การมาวัดเป็นเหมือนกับการไปที่บริษัทประกันเวลาเราต้องการซื้อประกันหรือไปจ่ายเบีย้ยประกันเราก็จะไปที่บริษัทประกันถ้าเรายังไม่มีประกันเราก็สอบถามบริษัทประกันว่ามีประกันอะไรบ้างแล้วจะต้องทําอย่างไร ถึงจะได้รับการคุ้มครองพอเรารู้แล้วว่าเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลือกซื้อชนิดประกันที่เราต้องการพอเราซื้อแล้วเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันถึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าเราไม่จ่ายเบี้ย เวลาเกิดอะไรขึ้นมาบริษัทประกันเขาก็บอกว่าคุ้มครองไม่ได้เพราะไม่ได้ทําตามสัญญาถ้าอยากให้บริษัทประกันคุ้มครองชดใช้ค่าเสียหายเราต้องจ่ายเบีย้ยประกันตามเวลาที่เขากําหนดไว้เราถึงจะได้รับการคุ้มครอง จากชนิดประกันที่เราได้ซื้อไว้บริษัทนานี้ก็เหมือนเหมือนบริษัทประกันมีขายประกันอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งประกันภัยและสองประกันชีวิตมีสองอย่างเท่านั้นประกันภัยนี้ก็ ประการภัยอยู่สี่ชนิดด้วยกันภัยนี้ไม่ได้เป็นภัยที่มาคุกคามร่างกายประการภัยของพุทธศาสนานี้ประการภัยของจิตใจจิตใจนี้มีภัยอยู่สี่ชนิดด้วยกันเรียกว่าอบายสี่ คือหนึ่งพวกสัตว์เดรัจฉ า, านฮพวกเปรตพวกอสุลกายและพวกนรกพวกนี้ที่จะเป็นผู้ที่จะมาคุกคามจิตใจของพวกเราเหมือนกับภัยของร่างกายก็มีเช่นภัยที่เกิดจากน้ำท่วมไฟไหม หรือพายุแผ่นดินไหวหรือโจรขโมยคือภัยที่คุกคามทรัพย์สินของร่างกายาถ้าเราอยากจะให้บริษัทประกันคุ้มครองทรัพย์สินของเราเราก็ต้องซื้อประกันภัยชนิดที่เราต้องการถ้าเราอยู่ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆ เราก็ซื้อประกันภัยน้าท่วมถ้าเรากลัวไฟจะไหม้บ้านเราก็ซื้อประกันไฟถ้าเรามีทรัพย์สินกลัวจะสูญหายเช่นรถยนต์เราก็ซื้อประกันรถยนต์นี่คือภัยที่มาคุกคามทางร่างกายคือทางทรัพย์สินของร่างกาย พอเราซื้อประกันแล้วเราก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันถึงเวลาที่เขากำหนดให้จ่ายเราก็ต้องจ่ายพอถ้าไม่จ่ายตามที่กำหนดถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเขาก็จะไม่สามารถชดใช้ความเสียหายให้กับเราได้ภัยของจิตใจก็มีอยู่สี่ชนิดนี่ที่จะมาคุกคามจิตใจ คือหนึ่งเดรัจฉานเปรดอสูรกายและนรกเรียกว่าอบายสี si. เป็นภัยที่จะมาครอบครองจิตใจของพวกเราให้จิตใจของพวกเรากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นเปรดกลายเป็นอสูรกาย กลายเป็นนรกขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาและเราจ่ายเบีย้ยประกันตามเวลาตามที่กำหนดไว้เราก็จะได้รับการคุ้มครองภัยทั้งสี่นี้ สิ่งที่จะมาคุ้มครองใจของเราจากอบายทั้งสีนี้ก็คือสีห้าและการละเว้นการเสพอบายามุกต่างๆคือการละการกระทำบาปทั้งปวงบาปนี้อยู่ในสีห้าอยู่อยู่ในอยู่ใน อยู่ในศีลคืออยู่ที่ศีลคอยห้ามไว้ไม่ให้ทำเช่นบาปข้อหนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีสีการพูดปดและห้าอันนี้เป็นอบายามุคคือการดื่มสุรายามเมานี่เป็น บาปที่ทำแล้วจะทำให้จิตใจถูกอบายสีมาคุกคามจะทำให้ใจกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อหรือทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นพวกที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นต้องทำถ้าไม่ทำเขาก็อดตายเขาก็เลยทำเพราะเขาไม่เชื่อว่าทำแล้วมีผลเพราะทำแล้วไม่เห็นผลเกิดขึ้นกับเขาเพราะอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นบาปผิดกฎแห่งกรรม จะต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการฆ่า ก, กินกันเป็นบาปเพราะเขาต้องกินเท่าถึงจะอยู่รอดสัตว์ใหญ่จึงกินสัตว์น้อยกันมนุษย์ถ้าทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน หรือจะเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเพียงแต่ยังมีร่างกายเป็นของมนุษย์อยู่เท่านั้นเองแต่พอร่างกายอันนี้ตายไปเมื่อไหร่เวลากลับมาเกิดใหม่ยนี้จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนเนี่ยทำไมเราจึงมีสัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดเนี่ย ก็เพราะว่าเรามีการกระทำบาปกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาปกันเพื่อเอาตัวรอดทำบาปเพื่อรักษาชีวิตทำบาปเพื่อเลี้ยงดูร่างกายจึงมีการจึงมีสัตว์เดรัจฉานมาเกิดกันอยู่เรื่อย และมีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าด้วยกันเพียงแต่ปริมาณของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่านี้ก็มีมากกว่ามนุษย์ที่อยู่วันนี้ไม่รู้กี่ล้านเท่าแล้วมดแมลงนี่มันอยู่ที่เป็นเป็นพันเป็นหมื่นเต็มไปหมดไม่ว่าจะไปซอกไหนมุมไหนของป่า จะเจอสัตว์ชนิดต่างๆเต็มไปหมดนี่คือภัยที่จะมาคุกคามจิตใจของมนุษย์ถ้าไม่รักษาศีลถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อบาปหรือไม่รู้ว่าบาปนี้มีจริงเพราะเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย มนุษย์อนุญาตให้ทำได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายถ้าไปฆ่ามนุษย์นีถึงจะถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายแต่เป็นการกระทําเยี่ยงอย่างของสัตว์เดรัจฉานจึงทำให้ใจของมนุษย์กลายเป็นใจของสัตว์เดรัจฉานไป พอร่างกายนี้ตายไปพอจะไปเกิดใหม่ก็จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของสัตว์ในราชาแทนแต่ถ้าเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าบาปนี้มีจริงทำแล้วมีผลตามมาจริงคืออบายก็ ระงับการกระทำบาปด้วยการสมาทานศีลหา้าและละเว้นอบายามุขต่างๆอบายามุขนอกจากสุรายาเมาแล้วก็มีอีกสี่คือเล่นการพนันเที่ยวเตะเกียรติคร้านรครบคนที่ ชอบอบายามุกเป็นมิตรเนี่นี่คืออบายที่จะพาให้ผู้ที่เสพอบายามุกนี้ไปกระทำบาปต่างๆต่อไปนั่นเองเพราะว่าอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดิมสุราก็ต้องเสียเงินเสียเงินแล้วก็เสียสติด้วย จะไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดของจิตใจเวลาคิดไม่ดีก็ปล่อยให้พูดออกมาทำออกมาก็จะไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะกลายเป็นบาปขึ้นมาปกติถ้าไ ม, ไม่ดื่มสุรานี้จะมีสติพอที่จะยับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้ เวลาจะคิดไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ห้ามได้รู้ว่าลักทรัพย์แล้วเดี๋ยวก็อาจจะถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษถูกประนามจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเสียเครดิตก็จะไม่กล้าทำแต่ถ้าดื่มสุรายาเมาแล้ว เวลาคิดจะทำอะไรนี้จะไม่มีการยับยั้งชั่งตัว응ก็จะทำทันทีตามความอยากตามความคิดนี่คือสุราแล้วก็ดื่มสุราเสียสติเวลาถ้าขับรถขับยานยนต์ก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นสูญเสียได้หรืออาจจะทำให้ทรัพย์สินหรือชีวิตของตนสูญเสียได้มีแต่เสียไม่มีได้การดื่มสุราเป็นโทษจึงต้องห้ามไว้ในศีลห้าด้วยเพราะถ้าไม่มีสติแล้วการกระทําบาปนี้ก็จะง่าย จะไม่มีการยับยั้งช่างตวงดูก่อนแต่ถ้ายังมีสติอยู่ก็ยังจะมีการยับยั้งช่างตวงอยู่มีการคิดทบทวนคิดดูว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นต้นนี่นี่คืออบายามุข ค, คือการดื่มสุราการเล่นการพนันก็มีแต่การเสีย ถึงแม้จะได้ก็เดี๋ยวก็ต้องเสียในภายหลังเพราะเวลาได้ก็จะใจเติบจะคิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆก็จะเล่นต่อพอเล่นต่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียถ้าเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกสรุปแล้วพอเล่นแล้วมันจะติดมันจะเลิกยาก แล้วก็จะทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปพอไม่มีเงินทองใช้ก็อาจจะต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ขายบ้านขายที่ดินท่านบอกว่าขโมยขึ้นบ้านยังไม่ร้ายกาดเท่ากับผีผนันขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านก็เอาไปเพียงแต่ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านเข้าของที่มีอยู่ในบ้านถ้าไฟไหม้ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับผีพนันไฟไหม้มันก็ไหม้บ้านไหม้ทรัพย์สินแต่มันยังไม่ได้เอาที่ดินไปด้วยไม่ไหม้ที่ดินไปด้วยแต่ถ้าเป็นผีพนันแล้วมันเอาหมดะขายหมดเพื่อที่จะได้ไปเล่นต่อ ขายทรัพย์สินขายบ้านขายที่ดินและอาจจะขายชีวิตของตนถ้าไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกนักเลงพนันด้วยกันพอไม่มีเงินจ่ายเขาเดี๋ยวก็จะถูกนักเลงพนันนี่มาทวงคืนเบื้องต้นก็อาจจะทุบตีเป็นการเตือนถ้ายังไม่สามารถใช้คืนเขาได้ เขาก็า จ, จะต้องฆ่าเพื่อจะได้ไม่ทาให้มีไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผ mm hmm. ู้อื่นนี่ถึงต้องห้ามการเล่นการพนัน mm hmm. อย่าไปเล่นดีที่สุดเ mm hmm. งินทอง mm hmm. ไม่เล่นก็จะ mm hmm. ไม่ขาดทุนเ mm hmm. งินทองมีอยู่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่ไปเล่นแล้วนี่ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียเพราะมันจะต้องเสียเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเพราะเสียก็อยากจะได้คืนมันก็ในที่สุดมันก็มีแต่จะเสียไปผู้ที่ได้ก็คือเจ้ามือเนี่ยเช่นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเจ้ามือเป็นเจ้ามือใหญ่เป็นคนที่ได้กําไรคนเดียว นอนั้นเป็นพวกที่ขาดทุนทั้งนั้นขาดทุนมากขาดทุนน้อยเท่านี้ดังนั้นอย่าไปเล่นเพราะถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวไม่เงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทำบาปไปโกหกหลอกลวงยืมเงินผู้อื่นแล้วก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะใช้เขาหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วถ้าไปป้นไปจี้ ไปใช้อาวุธเดี๋ยวก็อาจจะมีการฆ่ากันตายได้เนี่ยนี่คือที่มาของการกระทำบาปลองไปสอบสวนคดีต่ตางๆดูนะพวกที่ไปขโมยทรัพย์นี่มักจะเป็นพวกที่ติดการพนันหรือติดอบายามุขอย่างใดอย่างหนึ่งติดยาเสพติดที่วัดนี่ถูกขโมยของในตู้บริจาคนี่ถูกยกออกไปทั้งตู้ในโบสถ์เนี่ย จนกระทั่งเขาต้องเอาโซ่มาล่ามแล้วก็ทําตู้แบบตู้เหล็กหนักๆอุ้มไม่ไหวสมัยก่อนเขาทาตู้สวยๆเป็นตู้กระจกทําด้วยไม้มีมีกระจกมองให้เห็นว่าโอญาติโยมใจบุญทําบุญทําเงินเยอะๆไอ้พวกที่อยากจะได้เงินมันเห็นเงินในตู้มันก็อยากได้พอตอนคืนมันก็ย่องก็ามาเปิด ประตูหน้าต่างปีนเข้ามาแล้วก็ขมโมยไปตอนต้นไม่ต้องยกตู้ไปเพราะว่าเพราะว่าสามารถเปิดตู้ได้ติดใส่กุญแจลูกเล็กๆมันก็ตัดได้พอครั้งต่อไปหรือว่ามันจะมันจะก็เลยทำเป็นตู้เหล็กตู้ที่มันเปิดไม่ได้มันก็เลยยกไปทั้งตู้ แล้วตอบถามตำรวจจับได้ก็พวกอยู่แถววัดนี่แหละพวกที่ติดยาทั้งหลายบางทีเพิ่งปล่อยออกมาจาับคุกไม่ได้กี่วันก็กลับมาทำใหม่อีกเพราะมันไม่มีงานทำแล้วมันยังติดยาอยู่ยังอยากจะเสพยาอยู่มันก็ต้องไปลักขโมย สายโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้เป็นสายทองแดงอถูกตัดเลยโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้ไม่มีมือถือี่ใช้โทรศัพท์สายเนี่ยมักจะเสียอยู่เรื่อยๆใช้ได้ไม่กี่วันอา้าะสายขาดนียังไงยาโยมถ้าสังเกตดูลองลองดูสายโทรศัพท์สิมีรอยต่อเต็ไมไปหมดเลย <laughs> นี่ก็ เรื่องของอ บ, บายามุขที่เป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปกันทเที่ยวเตะก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับทเที่ยวอย่างเดียวมันก็ขี้เกียจไปทำงานมีความเกียจค้านด้วยทเที่ยวมันสนุกกว่าทำงานเราไม่มีเงนินเที่ยวก็ไปขโมยไปป้นไปจี้มาทเที่ยวต่อ บายมุกจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการทำบาปต่างๆขึ้นมาพอทำบาปแล้วก็ทำให้มีภัยมาคุกคามจิตใจมีเดลชานมาคุกคามมีเปรตมีอสุลกายมีนรกอะไรจึงอะไรทำบาปแบบไหนจึงทำให้ไปเป็นเปรต บาปเพราะความโลภคือความจริงถ้าไม่ทำก็ไม่ไม่อดตายทำมากินมีอาชีพสุดจริตเลี้ยงชีพก็พออยู่พอกินได้แต่เห็นคนอื่นเขารวยก็อยากจะรวยเหมือนเขาแต่ไม่มีปัญญาที่จะร่ำรวยได้โดวยวิธีสุดจริญก็เลยต้องรวยด้วยวิธีทุจริต คนบงคนบอกว่าเนี่ยคนทำบาปได้ดีมีถมไปใช่เขาได้ดีเขาได้ล่ำได้รวยจากการทำบาปก็จริงอยู่แต่เขานี่ต้องไปรับโทษถูกภัยคือเปรตมาคุกขามเปรตมันจะเข้ามาครอบครองจิตใจของผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภถ้าเราทำอาชีพสุด ทําทำดีไม่ได้ดีไม่เป็นไรไม่ได้ดีคือไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่อย่างน้อยเปรตมันมาคุกคามจิตใจเราไม่ได้ถ้าเรามีอาทีพซื่อสัตย์สุดจริตมีความมาักน้อยสันโดษ ย, ยินดีกับสภาพที่เราเป็นอยู่ยินดีกับรายได้ที่เราหามาได้ด้วยวิธีสุดจริญเราก็จะไม่ เปรตมาคุกความมาครอบงําจิตใจของเรามาทําให้เรากลายเป็นเปรตขึ้นมาได้นะทาบาปเพราะความโลภจะทําให้จิตใจกลายเป็นเปรต เ, เ, เป็นจิตใจที่มีแต่ความหิวโหวยเพราะความโลภก็คือความหิวโหวยเนี่ยความอยากได้มากๆได้นานๆได้ไม่หยุดได้ไม่หย่อนน พราความอยากมันไม่มีคําว่าพอนั่นเองได้มาท่าไหลก็ไม่พอได้คืบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วาได้เงินหมื่นก็อยากจะได้เงินแสนได้เงินแสนก็อยากจะได้เงินล้านได้เงินล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านร้อยล้านเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศก็อยากจะเป็น อันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียก็อยากจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันไม่มีวันสิ้นสุดนะเรามันก็ไม่ได้เอาเงินเหล่านั้นไปใช้ทำอะไรแต่ความโลภมันจะทำให้เหมือนเป็นเปรตเปรตเขาบอกว่ามีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าตุ่มน้ำคิดดูด้วว่าปากที่เป็นรูเข็มเนี่ย กว่าจะดูดน้ำเข้าไปให้เต็มท้องได้นี่มันต้องดูดนานทั้งเท่าไหร่นั่นแหละคนโลภ ก, ก็เป็นแบบนั้นได้มากได้น้อยก็ยังไม่อิ่มไม่พอเหมือนกับท้องมันใหญ่าบากมันเล็กได้มาล้านหนึ่งก็ไม่พอได้สิบล้านก็ไม่พอได้ร้อยล้านก็ไม่พอ อ, อันนี้หมายถึงพวกที่โลภแล้วทำบาปนะ แต่พวกที่โลภเมื่อไม่ทำบาบนี้ไม่ถูกไปคุกคามยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์ที่โลภแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาเปรตมันจะมาคุกคามต่อเมื่อเราทำบาด้วยความโลภถ้าเรามีความโลภแต่เราทำด้วยความซื่อสัสตย์สุดจรินี้เรายังไม่เป็นเปรต ก็ไม่แน่ถ้าวันใดวันหนึ่งอทําด้วยอาชีพสุจริตแล้วมันไม่ได้ทันทีมันช้าไม่ทันใจมีคนมายื่นข้อเสนอให้เราไปทําบาปร่วมกับเขาหรือไปช่วยเขาทําบาปแล้วจะทําให้เราได้เงินมาอย่างง่ายดายรวดเร็วเราก็อาจจะทนต่อความยั่วยวนต่อโอกาสที่มายั่วยวนไม่ได้ เช่นบางคนก็มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานราชการเพียงแต่เซ็นชื่อชื่อเดียวเท่านั้นก็ได้เงินมาเป็นกรอบเป็นกรรมได้แต่อาจจะไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎระเบียบของทางราชการถ้าเป็นคนซื่อสัตย์ก็จะไม่ทำแต่ถ้าเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหว เมื่อมีโอกาสมาถึงมีคนมายื่นข้อเสนอก็อาจจะสู้สู้อำนาจของเงินไม่ได้เพราะอยากจะได้เงินมาเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวอะไรต่างๆาก็ต้องระวังถ้ามีความโลภ พระพุธเจ้าสอนให้หัดใช้ความมากน้อยสันโดษเพื่อต้านภัยตัวนี้อย่างในหลวงรัชการที่เก้าท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็พออยู่พอกินก็ควรจะพอใจแล้วเพราะว่าความสุขที่ได้มันไม่ได้ม้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่เราได้มาเพิ่มจากของที่เราได้มาเพิ่ม ถ้าเรามีพอเพียงถ้าเรามีสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพพอเพียงคือถ้าเรามีปัจจัยสี่ถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราถึงแม้จะไม่ไม่แพงเป็นของถูกๆแต่มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเช่นเสื้อผ้านะชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าพันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน มันก็ทําหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายปิดอวัยวะร่างกายเหมือนกันดฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินจะไปซื้อเงินเสื้อผ้าชุดละห้าพันก็ให้ใช้ความสันโดษมักน้อยเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยๆขอให้มันทําหน้าที่ของมันได้ก็พอของที่เราซื้อมาปัจจัยสี่นี้มีหน้าที่ไว้เพื่อ เลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของหรูหราเป็นของแพงๆของที่มีชื่อเสียงติดป้ายอยู่มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันกางเกงเหมือนกันทําหน้าที่ให้ร่างกายมีที่คุ้มครองป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นหรือจาก แมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆก็พอเพียงชุดละห้าร้อยก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกับชุดละห้าพันนี่คือความมักน้อยสันโดษให้ใช้น้อยๆเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินมากๆเมื่อได้ของที่มาทําหน้าที่เหมือนกันอาหารห้าร้อยกับอาหารห้าพันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน มันก็ดับความหิวได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักความมากน้อยสันโดษนี่โอกาสที่เราจะเป็นเหยื่อของอความโลภนี่มันยากความโลภจะไม่สามารถมาหลอกล่อให้เราไปโลภไปอยากได้และจะหลอกล่อให้เราต้องไปทำบาปต่อไปทำให้เราต้องกลายเป็นเปรตขึ้นมา นี่คือการทำบาปด้วยความโลภจะทำให้กลายเป็นเปรตขึ้นมาอาสุรกายนี้เกิดจากการกระทำบาปด้วยความกลัวกลัวไปหมดกลัวภัยชนิดต่างๆกลัวแล้วบางทีต้องป้องกันตนเองด้วยการทำบาปถ้าป้องกันด้วยไม่ทำบาปก็ยังไม่เป็นอสุรกาย เช่นกลัวเชื้อโลกก็เอาหน้ากากมาปิดปากกลัวที่จะหายใจเอาเชื่อโรคของคนอื่นเข้ามาออย่างนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ทําบาปแต่ถ้ากลัวว่าโลกของคนนั้นจะแพร่มาที่เราก็เลยไปฆ่าเขานี่อย่างเงี้ยถึงบาปเช่นยุงลายทั้งหลายที่จะมากัดลูกกัดหลานเราทําให้มีเชื่อโลกทําให้เกิด โรคภัยไค่เจ็บขึ้นมาเราก็เลยต้องฉีดยาฆ่ายุงกันอันนี้ก็เป็นการทําบาปด้วยความกลัวแหละทําบาปด้วยความกลัวก็จะทําให้ใจนี้เป็นอสุรกายใจที่มีแต่ความกลัวไม่มีความสุขมีแต่เรื่องหวาดกลัวมาหลอกมาหลอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ อบายชนิดที่สี่คือนรกนรกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการทําบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม เ, เวลาใครเขาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจทําให้เราเสียหายเดือดร้อ น, เ, นเราก็ต้องเอาคืนต้องล้างแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ย พอทำแล้วมันก็จะทำให้ใจเป็นนรกขึ้นมานรกก็คือความทุกข์ร้อนนี่เองอเวลาเราโกรธใครเกลียดใครนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะนอนคิดอยู่ว่าจะทำจะฆ่ามันอย่างไรดีจะจะล้งแค้นอย่างไรดีเวลาเห็นมันได้ดิบได้ดีก็โกรธแค้นกอดเคืองไ้หมด อ, อ, อันนี้ต้อง ต้องใช้ความเมตตาต้องให้อภัยเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมั่นเจริญเมตตากันให้อภัยกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราให้อภัยเรื่องมันก็จบใจเราก็สงบใจเราก็ไม่ไปคิดที่จะไปนั่งแคนเขาถ้าเราไม่ให้อภัยเราต้องการที่จะเอา รางแค้นเราก็ต้องนั่งคิดนอนคิดรุ่มร้อนไปกับความแค้นแล้วพอไปทำร้ายเขาแล้วทีนี้เขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกพอเราทำร้ายเขาแล้วทีนี้เราก็มากังวลเราสิกลัวว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราอีกเดี๋ยวก็ทำไปทำมาจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าเหมือนกันน้ำพึ่งหยดเดียวไม่ยอมกัน พอไม่ยอมกันก็มีการว่ากันว่ากันแล้วเดี๋ยวก็ด่ากันด่ากันแล้วเดี๋ยวก็ทุบตีกันทุบตีกันแล้วเดี๋ยวก็ฆ่าฟันกันนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปทําบาปด้วยความโกรธพยายามหัดเจริญเมตตาภาวนาหัดสอนใจอยู่เรื่อยสัพเพสัตตาเอเวลาโหดตุยงอย่ามีเวรกันเถิด ให้นึกถึงผลของการจองเวรจองกรรมว่ามันมีแต่เรื่องเดือดร้อนทั้งเขาทั้งเราเราจองเวรเขาเขาก็เดือดร้อนพอเขาเดือดร้อนเขาก็มาจองเวรเราเราก็เดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนกันแบบข้ามภพข้ามชาติด้วยเจอกันชาติหน้าก็จองเวรจองกรรมกันใหม่เช่นพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนี้ตามตำราตามที่เล่ากันนี่ จองเวรจองกรรมกันมาไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาติเริ่มต้นจากการที่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี่เป็นคนไปซื้อของเก่ากันนี่มีคนแก่คนหนึ่งมีถาดเงินยังไงเนี่ยมีราคามากแต่เทวทัตนี่ไปดอกคนแก่ว่าโอ๊ยไม่มีราคาอะไรหรอก แต่พระพุทธเจา้าบอกให้มันเป็นเงินนะของดีเงินราคาที่เขาให้นี้มันนิดเดียวเราให้ราคามากกว่าเพอท่านนั่นเทวทัตก็โกรธแค้นโกรธเกืงพระพุทธเจา้าที่ไปตัดหน้าขายของราคาไปซื้อของจ่ายเงินมากกว่าเขาเทวทัตหวังจะเอากำไรด้วยการหลอกลวง พระพุทธเจ้านี้ซื่อสัต์สุดจริตบอกไปตามความเป็นจริงเทวทัตก็เลยกดแข้งกดเครื่องมาตั้งแต่บัดนั้นเจอกัรพบไหนชาติไหนก็มีการจองเวรจองกรรมกันจนในพบในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็มาจองเวรจองกรรมกันอีกมาเป็นญาติของพระพุทธเจ้ามาบวชเป็นพระตามพระพุทธเจ้า นะ้วพอบวชก็ได้อภิน ญ, ญาได้ได้อิทธิฤทธิ์ก็คิดว่าตนเองเก่งเห็นพระพุทธเจ้าแก่แล้วก็เลยบอกพระพุทธเจ้าควรพักผ่อนได้แล้วให้ผมมาทาหน้าที่แทนให้มาทาหน้าที่เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนเถิดพระพุทธเจ้าก็ห้ามก็ไม่ยอมเพราะรู้ว่าพระเทวทันนี้ยังมีกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจ ถ้าปล่อยให้ปกครองเดี๋ยวก็ทาให้สงว่นวายท่านก็บอกแม้แต่สารีบุตรกัโมคคลาที่เป็นอัคระสาวกของเราผู้สิ้นกิเลสเรายังไม่ตั้งเลยแล้วเธอเป็นใครพอพูดแค่นี้ก็กอดแ้นกอดเขื่องเหมือนก็ถูกยามฆ่าพยาบาทพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งครั้งน้ า, าก็จ้างคนไปฆ่าก็ไม่สาเร็จ ครั้งที่สองก็ปล่อยช้างหวังให้ออกมาเหยียบพระพุทธเจ้าก็ไม่เหยียบครั้งที่สามก็ขึ้นไปบนเขากิ้งก้อนหินลงมาหวังจะทับพระพุทธเจ้าให้ตายก็ไม่โดนมีแต่เพียงสเก็ดหินไปถูกพระบาททําให้ห่อเลือดเท่านั้นเนการทําพระบาทของพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในอนันตริยกรรมกรรมที่หนักที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน คือหนึ่งค่าพ่อสองค่าแม่สามค่าพระอารหาันต์สี่ทาให้พระพุทธเจ้าห่อเลือนและห้าทาให้สงเกยดความแตกแยกรู้สึกว่าเทวทัศน์นี่ทํา สองข้อหนึ่งทำให้สงแตกแยกยุยงให้สง์ไม่เคารพนับถือเชื่อฟังพระพุทธเจ้าให้หันมาเคารพนับถือตอนเองด้วยการกล่าวโทษพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่บริสุทธิ์เอยังกินเนื้ออยู่ไม่กินผักเหมือนตนเทวทัตนี้กินเจแต่พระพุทธเจ้านี้กินเนื้อเอพระพุทธเจ้ายังรับกิจนิมนต์ะแต่เทวทัตนี้ไม่รับกิจนิมนต์ แสดงว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเนยเลยหลอกให้พวกพระบวชใหม่ที่ไม่รู้เรื่องก็หลงเชื่อในยากเป็นสองฝากสองฝ่ายไปเรียกว่ายุโยงทําให้สงเกิดความแตกแยกขึ้นมาเนี่ยอนันตริยกรรมสองอันเนี้ยทําให้พอตายไปเนี่ยต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดทันทีถึงแม้ว่าจะได้ทําบุญบวชพระมาะเป็นเวลายี่สิบกว่าปีก็ตาม มีอภินยาได้สมาธิแต่บุญที่ทานี้สู้บาปที่ทาไม่ได้กำลังของบาปมันร้ายกาจกว่าเลยต้องไปรับผลบาปในนรกที่ลึกที่สุดแต่ดีอยู่อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนตายก่อนจะถูกแผ่นดินสูบนี่ขอถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาใน ในการสำนึกผิดของตนความสำนึกผิดนี่แหละจะทำให้หลังจากที่ได้ไปใช้บาปในในโนโรกแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้มาบวชเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปฏิเจกับพุทธเจ้าต่อไปนี่คือนิยายนเรื่องของการจองเวรจองกรรมกันพอเราจองเวรจองกรรมใครแล้วเราจะไม่มีวันเลิก เจอใครเจอเมื่อไหร่มันจะจำได้สังเกต ด, ดูเสร็จทาไมเราเจอคนบางคนเห็นแล้วเกียดขี้หน้าขึ้นมาทัน ท, ทีทั้งที่เขายังไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เห็นหน้าเห็นตาเห็นท่าทางนี้มันจำได้เพราะกิริยาท่าทางของคนเราไม่เปลี่ยนนะมันอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแต่การพูดการจานการการะทำอะไรนี่มั น, ม, นมาจากจิตใจ พอเห็นปั๊บมันจะจำได้คนนี้เราเคยเห็นมาก่อนรู้รู้มาก่อนเราเวลาเจอคนเราจึงมักจะมีความรู้สึกต่อคนต่างๆไม่เหมือนกันบางคนเห็นแล้วก็เกลียดชังขึ้นมาทันทีบางคนเห็นแล้วก็รักขึ้นมาทันทีบางคนเห็นแล้วก็เฉยเฉย ถ้าเกียติชังก็แสดงว่ามีเวรมีกรรมมาก่อนถ้ารักก็แสดงว่าเคยทำบุนร่วมกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนถ้าเฉยเฉยก็แสดงว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยรู้สึกเฉยเฉยอันนี้มันเป็นของที่มันจํามันฝังอยู่ในใจของเราใจเรานี่มันจําเก่งนะมันจําอะไรได้หมดเนี่ยเพียงแต่เห็นอะไรปั๊บนี้มันจะบอกเฮ้ยเคยเห็นมาก่อนนะ เคยได้ยินมาก่อนเสียงแบบนี้เคยได้ยินมาก่อนรูปแบบนี้เคยเห็นมาก่อนเพียงแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เท่านั้นแต่รู้ว่าเคยเห็นมาก่อนนี่แหละคือเรื่องที่จะทําให้เราไปทําบาปกันด้วยความโกรธเกียดอาฆาตพยาบาทวิธีก้าก็เนี่ยก็ต้องให้อภยัยให้เราคิดว่าเหมือนแก้วแตกแล้วเนะี่ย แก้วแตกแล้วยังไงมันก็ทำให้แก้วใบนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ดีไปด่าไปว่าคนที่ทำให้แก้วแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้เขากลับมาโกรธมาเกลียดเรามาคอยมาด่าเราถ้าไม่ด่าเราต่อหน้าก็ไปแอบด่าเรานับหลังคนบางคนไม่กล้าดา่าต่อหน้าก็ไปด่ารับหลังล้วก็ให้คนอื่นมาเล่าให้ฟังต่อพอเราได้ยินรับหลังแล้วก็โกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราให้อภัยแล้วเราจะไม่โกรธเขาแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องจะว่าสุดวิสัยก็ได้อะอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือถ้าตั้งใจก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาอาจจะไม่พอใจ เ, เราและอาจจะพูดอะไรไม่พอทําให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาทําให้เราเสียใจเหตุนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือ เลิกกันไปถอยกันไปคนละก้าวอย่าไปประชันประชันหน้ากันอย่าไปประชันหน้ากันแล้วเรื่องรามันก็จะสงบลงได้ทำให้ไม่มีปัญหาตามมาต่อไปอยู่กันได้ยังเป็นมิตรกันต่อได้เดี๋ยววันสองวันก็ลืมละเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ถ้ามีการอาคาตพยาบาทมันจะไม่ลืมมันจะคอยคิดอยู่เลยคิดถึงเรื่องที่มันทำให้เราเจ็บช้าน้ำใจอยู่เลย นนี่คือวิธีหนึ่งก็คือให้แผ่เมตตาแล้วก็พยายามรักษาศีลไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายผู้อื่นไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์กายทุกข์ใจด้วยการกระทําของต น, เ, นเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่มานั่งสวดเวลาสวดนี้ยังไม่ได้แผ่ เป็นการเตรียมเป็นการซ้อมถ้าเป็นนกมวยก็เหมือนกำลังชกกระสอบทรายอยู่ยังไม่ได้ชกกับผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้นี่ต้องเจอเวลาไปขึ้นเวทีเจอกันเจ้ากรรมในเวลเาเวลาเจอกันนั่นเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาเขาด่าเราแล้วก็เฉยๆไปให้อภัยเขาไปเขาพูดอะไรเขาทำร้ายเราก็เฉยๆไปทนไป เดี๋ยวเรื่องมันก็จบนะถ้าไปตอบโต้แล้วมันจะยาวมันจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นตายไปไปเจอกันชาติหน้าก็ไปว่ากันใหม่ไปสู้กันใหม่ น, ะนี่ถ้าไม่อยากจะถูกนรกนรกคุกคามจิตใจก็อย่าทำบาปด้วยความโกรธนะให้ใช้ความเมตตามาระงับเสียแล้วเราก็จะปลอดภัย นี่คือเรื่องของการซื้อประกันภัยของพุทธศาสนาป้องกันภัยสี่ชนิดด้วยกันคือเดลฉ า, านเปรตอสุรกายและนรกจะทำให้ไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรากลัวแล้วเราไปฆ่าเขาเราวิธีที่จะทำให้เรา ไม่ไปฆ่าเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายด้วยกันนะกลัวยังไงไม่กลัวมันก็ตายอยู่ดีถ้าเกิดเรามีทำบาต้องทำบาปเพราะความกลัวกลัวเขาจะมาฆ่าเรากลัวเขาจะทำมาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลยต้องไปฆ่าของก่อนเราอย่าไปฆ่าเขาดีกว่าเรามาป้องกันตัวเราดีกว่าอยู่ในที่ที่ไม่มียุงมากัดนะถ้ามียุงก็ไล่มันไป ถ้ามันมาเกาะก็ไล่มันไปอย่าไปฆ่ามันแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยจากการไปเป็นอสุรกายเราต้องยอมปร่ง่าเกิดมาแล้วชีวิตของเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาไม่วันใดวันหนึ่งก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปอย่าไปทำบาปเพืเอ่อป้องกันมันเลยป้องกันก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดีก็จะ ก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไปทำบาปมันก็เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีนี่คือวิธีป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามจิตใจคือต้องมาซื้อประกันมาสมท า, านศีลห้ามาละเว้นการเสพอบายมุกต่างๆแล้วรับรองได้ว่าตายไปนี่จะไม่ไปเกิดในอบายแต่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ครบนะ เกิต้องรักษาสีหน้าให้บ่อยสุดเป็นนิจสินไม่ใช่เลือกเลือกเลือกรักษาเฉพาะวันที่อยากจะรักษาวันไม่รักษาวันที่ไม่รักษาก็ไม่รักษาอย่างนี้มันก็ยังไม่คุ้มครองนะเพราะถ้ายังมีการทำบาปอยู่แม้แต่บาปนิดเดียวมันก็มีโอกาสที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายได้ย่างต้องพยายามทาบาปอย่าไม่ทาบาปเลย แต่ถ้ายัางคิดว่ายัางอาจจะต้องพังเผอทำบาปมากก็ใช้การทำบุญมาช่วยป้องกันได้อยู่หมันทำบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อให้บุญมาต้านกำลังของบาปพอเวลาที่ร่างกายตายไปบุญกับบาปนี้จะเป็นตัวที่จะมาดึงใจให้ไปอบายหรือไปสุขคติถ้ามีบาปมากกว่า บ, บุญบาปมันก็จะดึงไปอบาย แต่ถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปบาปก็ดึงไปอาบาัยไม่ได้แต่ไม่ได้อภัยความว่าบาปหายไปบาปยังมีอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสส่งผลมันต้องรอจังหวะที่บุญน้อยกว่าบาปมันถึงจะส่งผลได้เห็นเราพยายามทําบุญไปเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเรายัางไม่บริสุทธิ์ในเรื่องศีลก็มาทําบุญเป็นตัวช่วยเออ ช่วยประคับประคองจิตใจของเราต้านกำลังของบาป ท, ที่เรายัางอาจจะทั้งเผลอ ย, อย์โดยยังอ่อนแ อ, อยังทนยังห้ามจิตใจไม่ได้ทังเผลยบ้างหรือห้ามใจบ้างไม่ได้ทำบ้างบางโอกาสบางเวลาเพราะเรายัางไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็ต้องอาศัยการทำบุญเป็นตัวช่วย ยามทำบุญอยู่เรื่อยๆทำเป็นนิสัยได้ยิ่งดีทําทุกวันใส่บาตรทุกวันหรือไม่มีบาทไม่มีพระก็เอาเงินใส่กระปุกไว้เวลาไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกไปถวายวัดไปชําระนีิสงไปอันนี้ก็ทําให้เราได้ทําบุญทุกวันแล้วมันก็จะมาช่วยต้านบาปที่เราอาจจะพังเผลหรือห้ามใจไม่ไหวได้เนี่ย น, น, นี่คือวิธีซื้อประกันภัยของพุทธศาสนาคือให้รักษาศีลหา้าให้ละเว้นอวายามุขแล้วก็ให้ทำบุญอยู่เนืองททำไปตามกำลังมีมากมีน้อยก็ทำไปบุญมีหลายาหลายแบบไม่มีเงินทำก็ใช้ร่างกายทำได้ไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยทำความสะอาดเวลามาอยู่วัดเห็นห้องน้ำสกรปรกก็ช่วยกันล้าง ปัดกวาดลานวัดหรือทำอะไรให้มันสะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเนีพอถ้าเราไม่ทำวัดก็ต้องเสียเงินไปจ้างคนมาทำเนี่ยเราก็มาทำแทนโดยไม่เก็บเงินไม่เอาเงินเอาทองจากวัดเนี่ยก็เหมือนกับเราเอาเงินที่เราทำนี่บริจาคให้วัดไปก็เหมือนกับได้ทำบุญทำทานด้วยการซื้อข้าวซื้อของด้วยการใช้เงินทอง น, นี่คือการซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาส่วนประกันชีวิตนี้จกซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้ซื้ออย่างไรแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรประกันชีวิตก็คือประกันไม่ให้เรามาตายคือไม่ให้เรามาเกิดใหม่ตราบใดถ้าเรายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีการตายอยู่ ซื้อประกันของพุทธศาสนานี้ประกันชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายในชาตินี้ชาตินี้สายไปประกันไม่ได้แต่ประกันชาติหน้าได้ประกันชาติหน้าไม่ให้กลับมาเกิดเพราะเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีวันตายถ้ายังมีวันเกิดอยู่ก็ยังจะมีวันตายอยู่ยิ่นการจะซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานคือป้องกันไม่ให้เราต้องมาตายอยู่เรื่อยๆ ก็คือต้องต้องปฏิบัติทำต้องรักษาศีลระดับศีล8ดขึ้นไปต้องรักษาศีล8หรือศีลส0บถ้าเป็นสามเณรแม่ชีหรือถ้าเป็นพระก็ศีล227พิภิกษุณีก็311้อสบข้อต้องรักษาศีลเหล่านี้ให้ได้เพื่อที่จะได้ยุติการกระทำต่างๆตามความอย่าง เพราะการกระทำตามความอยากมันจะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดนั่นเองอยากอยากดูอยากฟังอะไรก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็จะไปหาน่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือให้เรากลับมาทําตามความอยากอีกอย่างถ้าไม่อยากจะกลับมาตายใหม่ก็อยากกลับมาเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิดมีอยู่สามตัวกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหากามตัญหาความอยากเจบรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัญหาความอยากได้ราบยศสารเสนวิภาวะตัญหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารเสญหรือสูญเสียร่างกายของเรา คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต้องมาระ ง, งับความอยากเหล่านี้ด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็มาเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ สีนแปดสินสิบนี้เป็นเพียงเป็นเหมือนกำแพงกั้นไม่ให้ไปทำตามความอยากแต่ยังไม่ได้ฆ่าความอยากยังทำลายความอยากไม่ได้ด้วยการรักษาศีลใจมันก็ยังอยากดูแค่วันนี้ถือสีลแปดกันตอนเย็นเดี๋ยวมันก็อยากอยากจะกินข้าวกันยังอยากจะดูหนังดูละครเพียงแต่ว่าอ้อตอนนี้เราถือศีลเราทำไม่ได้ก็ห้ามมันไว้ได้เพราะอำนาจของสินแต่ยังไม่ได้ทำให้มันตายเพียงแต่เบรกมันไว้ ไม่ให้มันทําเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามามาฆ่ามันมาด้วยการภาวนาเราจะฆ่าความอยากได้นี้ต้องฆ่าด้วยการภาวนาและต้องฆ่าด้วยระดับที่สองคือวิปัสสนาภาวนาระดับที่หนึ่ง น, นี่เป็นเพียงหยุดมันหรือจับมันมามัดไม่ให้มันไม่ให้มันออกมาแสดงลวดลายเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบ พอใจสงบความอยากต่างๆหายไปหมดเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเขาจึงให้ไปสวดมนต์กันใจจะได้สงบจะได้ไม่คิดถึงอาหารมันความอยากกินอาหารมันก็จะได้หายไปมันจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็จะนั่งคิดแต่อาหารเพราะมันเคยกินตอนนี้พอคิดน้ำลายมันก็ไหลมันก็หิวขึ้นมา เนี่ยนี่เกิดหน้าที่ของสมาธิมาหยุดความคิดมาหยุดความอยากกินอาหารกันโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพอจิตสงบความอยากต่างๆที่เคยมีมันก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่มันไม่ตายพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดได้ แต่ถ้าบางทีมันออกมาเลยเวลาแล้วมันก็ไม่คิดมันก็มันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่คิดเพราะมันจะคิดเป็นเวลาเนี่ยเวลากินอาหารนี่มันจะมีเวลาให้เราคิดถึงมันพอผ่านเวลานั้นไปแล้วเราก็ไม่คิดถึงมันเพราะมันจะคิดถึงเวลานอนละมันมีเรื่องอยากให้คิดแทนอยากจะดูละครแทนนะอยากจะดูอะไรแทนนะ อันนี้เราก็ต้องพยายามใช้สติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดพยายามนั่งสามาธิบ่อยๆแต่มันก็ยังจะกลับมาพอเราเสื่อมมาหล่ไม่มีสติควบคุมความคิดมันก็จะคิดหาความอยากต่างๆต่อไปงั้นพอเราหยุดความอยากได้ด้วยด้วยสติแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาใช้ปัญญามาฆ่ามันเราจะฆ่ามันตอนที่มัน ไม่มีสมาธินี้ไม่มีกําลังที่จะสู้มันต้องมีสมาธิก่อนแล้วเราจะมีกําลังแล้วเราจะฆ่าความอยากด้วยเหตุผลคือเราต้องใช้เหตุผลมาสอนใจเพราะการกระทํำใจของเรานี่ทําด้วยอารมณ์ทำด้วยความไม่มีเหตุมีผลพอมีเหตุมีผลมาสอนใจใจเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษของการกระทําใจก็จะเลิกทําได้ บัญญาคือวิปัสสนานี้ก็จะมาสอนว่าการทําตามความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปหาความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขก็ได้เดี๋ยวเดีๆแล้วมันก็จางหายไปแล้วทําให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดนะพอเวลาใดไม่มีเสพเวลานั้นมันจะทําให้เราทุกข์มากถ้าเราไม่ติดเราก็ไม่เราก็ไม่ทุกข์นะถ้าเราไม่ติดดูละครเวลาไม่มีดูละครดูเราก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราติดละครวันไหนไม่มีละครดูแล้วรู้สึกหงุดหงิดงถ้าติดแฟนวันไหนไม่ได้อยู่กับแฟนวันนั้นก็หงุดหงิดเนี่ยถ้าไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์วิธีที่ไม่ติดก็อย่าไปตามมันอย่าไปตามมันก็ไม่ติดอย่าไปตามความคิดตามความอยากอย่าไปทําตามความคิดทําตามความอยากอยากจะดูก็อย่าดูดีกว่าไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธดีกว่าไหม ปลอดภัยกว่ามีความสุขมีความสงบมากกว่าใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย <c oughs> นี่คือวิธีที่จะสอนใจคือให้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> เป็นความสุขชั่วคราวอนิจจังเดี๋ยวเดียว <c oughs> พอมันหมดไปก็กลายเป็นทุกขังขึ้นมา <c oughs> อนัตตามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายถ้าแต่ถ้าตายแล้วถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็ต้องมาเจอความตายอรัง้งหนึ่งถ้าไม่อยากจะมาตายก็อย่ามาเกิดวิธีจะไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากด้วยวิปัสนาญาณ ด้วยตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นสิ่งต่างๆเวลาอยากเห็นอะไรปั๊บเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เอามันก็หยุดความอยากได้แล้วต่อไปความอยากที่เคยมาหลอกมาล่อใจก็จะหายไปหมดนะพอไม่มีความอยากมาดึงใจแล้วทีนี้เวลาไม่มีร่างกาย ก็จะไม่มีความอยากมาดึงใจให้ไปเกิดหาร่างกายอันใหม่การเกิดใหม่ก็จะไม่มีต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดใหม่ก็จะไม่มีการตายตามมาอันนี่คือการซื้อประกันชีวิตคือจะไม่มีวันตายอีกต่อไปออถ้าเราซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาด้วยการรักษาศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยี่บเจ็ดสามร้อยสิบเ็ดข้อ แล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนพอมีกําลังแล้วก็มาสอนใจให้เห็นตายรักณ์ในสิ่งต่างๆที่อยากได้พอเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากได้กันก็ความก็จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าใจสิ้นกิเลส ผู้สิน้นเกเรก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้นิพพานมาเป็นสมบัติคือได้ความอิ่มความพอของใจที่ทำให้ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดไปหาลาบยศเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นแล้ดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา ก็มีอยู่สองเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้วันนี้ท่านก็มามาศึกษาดูว่าอยากจะซื้อประกันแบบไหนก็ลองตัดสินใจเลือกเอาถ้าซื้อแล้วก็ต้องมาจ่ายเบี้ยประกันต้องถ้าซื้อประกันภัยก็ต้องละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ทำบุญตามตามกําลังถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตก็ต้องมาถือสีลแปด นแล้วก็มาภาวนาได้รับรองได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปมราปาริปุเรนติสากลังเอวามิวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติ อิติตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติอาราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาถสัตุ มาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิธสานิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั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 วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหกสิบเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบแปดวิทยุออนไลน์สิบเจ็ดรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบหกคนรวมทั้งหมดแปดร้อยสิบแปดครับก็มีคำถามก็เชิญถามได้คำถามจากคุณฟ้าคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์จะมีวิธีลบล้างบาปไหมเจ้าคะ ก็ทำบุญให้มันมากกว่าบาปที่ทำไว้นะก็เป็นวิธีหนึ่งคือไม่ลบแต่เพียงแต่ว่าต้านไม่ให้บาปมันมีกำลังมากกว่าบุญะะเราฉะนั้นก็วิธีดีที่สุดก็อย่าไปทำเปลี่ยนอาชีพันดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำบุญเท่าไหร่ถึงจะต้านบาปได้ พอเราไม่รู้ว่ากําลังของบาปกับของกาลังของบุญอันไหนมันหนักมันเบามากน้อยกว่ากันก็ถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนอาชีพเถอทําไมคนอื่นเขาเขาเขาทำอาชีพอื่นได้ทําไมเราจะทําอาชีพอื่นกับเขาไม่ได้เพราะความขี้เกียจของเราบางทีเราขี้เกียจเปลี่ยนอาชีพเคยชินกับการทําอาชีพนี้มันก็ทําไปเรื่อยๆถ้าไปเปลี่ยนอาชีพใหม่มันก็ต้องไป ลองไปเสี่ยงไปลองอาจจะทําแล้วขาดทุนอีกหรืออะไรขึ้นมาก็เลยไม่กล้าเสี่ยงแต่ถ้าเรามองถึงพิษของภัยที่เกิดจากอาชีพเก่าที่เราทําอยู่นี่ก็อาจจะทําให้เรากล้าที่จะเสี่ยงก็เมื่อคนอื่นเขาทาได้ทําไมเราจะเราจะทําไม่ได้วะใช่ไหมอาชีพต่างๆมีเยอะแยะไปที่ไม่ต้องทํำบาป คำถามจากทาง i ินบ็์ผู้ฝากถามแม่ดิฉันเป็นคนคิดลบชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นมองคนอื่นไม่ดีตลอดคนไหนถูกใจก็มองว่าดีคนไหนไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นกับพนักงานไม่ถูกใจก็ให้ไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลถ้าไม่ทาตามที่แม่ต้องการก็ทะเลาะกันจนดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงไม่เจอแม่เพราะเจอทีไรก็มีแต่เรื่องนี้ควรจะหาทางออกอย่างไรดีช้าคบ ก็อย่าประชิญหน้ากันนะอย่างที่มีคําพูดว่าสร้งวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้าส่วนไหนที่เรามีความเห็นต่างกันก็อย่าไปประชิญหน้ากันทําในสิ่งที่เราไม่ต้องประชิญหน้าคือทําแล้วเรามีความสุขด้วยกันก็ทํากันไปเช่นเลี้ยงดูแม่อะไรนี้ไปรับใช้แม่ไปแต่เรื่องไหนที่เรา ขัดกับแม่เราก็อย่าไปทำํำแล้วก็ถอยถอยออกไปอยู่ห่างๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปออแต่ไม่ให้ทอดทิ้งแม่ยังไงเขาก็ยังเป็นแม่เราอยู่เขาก็ยังมีบุญคุณกับเราอยู่ถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทําตามคําสั่งทุกอย่าง ถ้าคําสั่งนั้นไม่มันขัดต่อศีลธรรมก็ไม่ไม่ต้องทําตามถ้าทําแล้วมันร้ายความเมตตามันก็ไม่ต้องทําำไม่บาปไม่เดชเพราะเพียงแต่ว่าเราเลือกทําในสิ่งที่ไม่ควรทํำนั่นเองสิ่งที่เรายังควรทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปเช่นให้ความเคารพยกย่องเทิดทูนเหมือนเดิม ไม่ดา่าไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่โกรธเกลียดพ่อแม่อะไร น, น้องน้องนี้ยังพร้อมที่จะรับใช้เลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเวลาที่มีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนี้เมื่อเราเห็นว่ามันไม่ถูกเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําได้คําถามจากผู้ฝากถามจากข้างบนนี้นะครับศึกษาและลองปฏิบัติโดยใช้สติและอุเบกขาในภาวะชีวิตประจําวัน แต่บางขณะยังมีอาการฟุ้งในภาวะจิตใจบางช่วงครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็สติน้อยก็พอรู้ว่าฟุ้งก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเลยที่มันฟุ้งพราะเราไม่พูดโทมปล่อยให้มันคิดนะพอมันคิดมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาอแต่ถ้ามันเป็นเรื่องทํางานทําการก็ต้องยอมยอมฟุ้งไป เพราะบางทีทำงานทาการมันก็ต้องคิดคิดแล้วมันก็เจอปัญหาต่างๆขึ้นมามันก็จะทำให้วุ่นวายใจได้นอกจากว่าถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาเราก็อาจจะระงับมันได้ก็ใช้ปัญญาว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นยังก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน เมื่อเราทำได้เท่นี้ก็เอาเท่านี้ yeah. อย่างนี้ใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านได้ระ ง, งับได้ต้องรู้จักใช้ไตลักษ์เวลาใช้สติไม่ได้ในการทำงานต้องใช้ความคิดแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ก็ให้คิดไปในในกรอบของไตลักษ์แล้วก็ทำให้ดีที่สุดส่วนผลมันจะออกมาอย่างไงก็เป็นเรื่องของผลที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เพราะมันเป็นอนัตตา เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดผลขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวเราทำสิ่งนี้บางทีเราต้องร่วมกับคนนั้นคนนี้เขาอาจจะทำไม่เต็มใจแล้วเขาอาจจะทำไม่เห็นด้วยเขาไม่ทำผลก็จะไม่ได้เกิดตามที่เราต้องการเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอนัตตามันเกินเกินอำนาจเกินขอบเขตความสามารถของเราที่จะไปปั้นให้มันเป็นตามที่เราต้องการได้ ก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดไปใจก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ฟุง้งซ่านคำถามจากคุณปัทมาถ้าอยากมีลูกทาบุญมากๆจะส่งผลให้ลูกที่เกิดมาเป็นคนดีไหมเจ้าคะ่ะไม่ส่งผลหรอกเพราะว่าดีเชื่อของลูกมันเป็นกรรมของเขาติดที่เขาติดตัวเข้ามาบุญบาปที่เขาติดตัวเข้ามา แล้วก็เป็นคนที่มีมบุญติดตัวมาเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรเขาก็ดีของเขาอย่างนั้นคนชั่วมันมาเกิดมันก็ชั่วของมันอย่างนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแต่พยายามอบรมสั่งสอนบอกเขาเวลาที่เขาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราเห็นเขาทาชั่วก็พยายามห้ามเขาเห็นไปอทําร้ายรังแกสัตว์ก็ห้ามเขาอะไรทนานองนี้ไป ไปลักขโมยข้าวของเงินทองก็สอนเขาว่าอย่าทำํำแล้วก็สอนให้เขาหัดทําบุญพาเขาใส่บาตร ท, ทาอะไรต่างๆแล้วลอล้อมจิตใจเขาได้ในระดับหนึ่งส่วนเขาจะรับไปใช้ต่อหรือไม่นี้เราไม่รู้เพราะเหมือนมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเรียนจบแล้วพอออกยากโรงเรียนไปก็ไม่รู้เราจะไปทําอะไรกันบ้างแต่เวลาที่เขามาโรงเรียนเราก็สอนในสิ่งที่ดีให้กับเขาไป ส่วนเขาจะรับเอาไปใช้ต่อหรือไม่มันเป็นเรื่องของเขาลูกของเราเราก็สอนเขาได้ในช่วงที่เขาอาศัยอยู่กับเราแต่พอเขาโตเขาไปเป็นตัวของเขาแล้วเขาจะไปทำอะไรนี้เราก็ทาอะไรไม่ได้นะเราก็ทำได้เท่านี้ไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วจะทำแต่ทให้บุญไปเกาะติดที่ใจเขาไม่เป็นบุญใครบุญมัน แต่ถ้าเราทำบุญแล้วเขาทำตามเขาอยู่กับเราเขาต้องไปทำบุญกับเราเขาก็อาจจะได้เรียนรู้วิชีวิธีทำบุญแล้วต่อไปเวลาเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาอาจจะติดติดนิสัยนี้ไปกับเขาเขาก็อาจจะไปทำบุญต่อก็ได้แต่ถ้าเราไม่สอนให้เขาทำบุญเลยเขาเขจะไม่ทำเลยค่ะคาถามจากผู้ฝากถามจะทำอย่างไรครับถึงจะ ควบคุมอารมณ์เครียดของเราเมื่อมีคนพูดไม่ถูกใจเหมือนว่าเราเอาจิตไปฟังกับคำพูดจนชินครับก็มีสองวิธีเบื้องต้นถา้าพอได้ยินเสียงคำพูดแล้วไม่ไม่พอใจก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าไปฟังต่อปล่อยให้เขาพูดไปแต่ทำเหมือนกับหูหัทวทวนลมไปให้ใจเรากลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ความเครียดความไม่พอใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ก็ดีไม่ไม่ต้องไปรู้ถ้าเขาด่าแล้วจำต้องไปรู้ทําไมว่าเขาดา่าเราก็พุโทโธพุโทโธไปนี้เป็นวิธีแรกนะวิธีที่ง่ายก็คือพุโทโธพุโทโธวิธีที่ยากก็คือใช้เหตุผลคือเราต้องดูว่าเขาเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปบอกให้เขาพูด ในสิ่งที่เราชอบได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาพูดไปเราต้องมาทำใจเราเปลี่ยนใจเราอย่าไปไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูดทำใจให้เฉยๆ ย, ยินยอมยินดีให้เขาพูดตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราตกอยู่ในภาวะจำยอม mm hmm. เช่นเวลาฝนตกฟ้าร้องดังกึกก้องเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ คนจะพูดตามอะไรที่มันทําให้เราห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาพูดไปเราก็เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์กับการพูดต่างๆของเขาคําถามจากคุณนิยาคําถามแรกถ้าทําบุญกับพ่อแม่จะได้บุญมากทําบาปก็จะได้บาปมากเช่นกันและบุญที่จะได้มากแค่ไหนครับ ก็มันไม่มีตาช่างหรอกมันจะว่ายังไงเก็ว่ามากก็าว่ามากก็แล้วกันมากกว่าทำกับคนอื่นก็แล้วกัน เ, เช่นทำบุญกับพ่อแม่กับทําบุญกับเพื่อนนี่บุญที่ทํากับพ่อแม่นี้จะได้มากกว่าเพราะความรู้สึกในใจนะเป็นตัวตาช่างเวลาเราได้ช่วยเหลือคนที่มีพระคุณกับเรากับคนที่ไม่ได้เป็นพระคุณเป็นเพื่อนแต่เราสงสารก็ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันออ คำถามที่สองบางครั้งคิดจะทำความดีบุญกุศลแต่ต้องอยู่ร่วมกับคนพลานทำให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกขุนหมองจิตใจควรทำอย่างไรครับก็ได้ตอบไปแล้วคำคาถามเขาที่แล้วก็คือต้องปล่อยวางไม่ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเรามาทำจิตใจเราให้สห่ายด้วยกูเบขาเฉายๆไปวางเฉยไป พอเราพิจารณาเขาเป็นเหมือนดินน้ำนมใสเหมือนเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกดังก็ปล่อยมันดังไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไปห้ามเขาแล้วเราจะไม่เครียดก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็รับฟังไปเฉยๆไปส่วนใหญ่เราเฉยไม่เป็นกันเพราะเราไม่เคยฝึกสติไม่เคยนั่งสมาธิต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันแล้วจะมีกําลังเฉย พอเวลาที่จะไปตอบโต้ไปมีปฏิกิริยากับเขาก็หยุดได้ค่ะำถามจากคุณมาริวันคำถามแรกการใช้ยากันยุงจุดไว้ใกล้ๆตัวไม่ให้ยุงเข้ามาหาเราเราจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะอ๋อไม่บาปเราเพราะไม่ได้ทําให้เขาตายเพียงแต่ทําให้เขาไปที่อื่นเท่านั้นเองเมื่อเขาได้กลิ่นที่ไม่ ไม่พึงปรารถนาเขาก็จะไม่มารบกวนไม่มาอยู่ใกล้แล้วที่เข้ามาเพราะกลิ่นเลือดของเราเนาะกินตัวของเรามแมลงนี่มันอาศัยดมกลิ่นร่างกายของเราพอมันได้กลิ่นมันมันวิ่งตามบินตามเลยเนี่ยยุงเนี่ยเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยพอมันได้กลิ่นของเรามาเลยพอเดินออกมามันก็ยังตามมาจะให้มันหายต้องมาอยู่ที่โล่งๆที่แสงสว่างพอมันเจอแสงสว่างมันก็หนีกลับเข้าไปน <c oughs> และการใช้ยากันยุงทาตามตัวบาบไหมครับไม่บาบแั้วเป็นการป้องกันหรือแม้แต่ฉีดยากันไว้ก่อนก่อนที่มันจะมาเนียเช่นมีมดมีอะไรมันจะขึ้นบ้านเรารู้ที่ขึ้นของมันแล้วก็ไปฉีดยาหรือเอาช็อคที่มีกลิ่นยาไปขีดทางเดินของมันพอมันมาเจอกลิ่นมันก็ถอยกลับไปเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่บาบนะคำถามจากคุณจอยวิธีคิดหรือการวางใจ ในการรักษาสติตนเองไม่ให้โมโห Becky, ion, หรือเบื่อหน่ายเวลาที huh> ่มีคนใกล้ชิดมีความคาดหวังในตัวเราหรือใช้ความอยากของเขามากดดันให้เราทำให้โดยใช้ความใกล้ชิดหรือสนิทกันก็ต้องเลือกเอานะว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการใจสงบไม่วุ่นวายก็อาจจะต้องเลิกใกล้ชิดกับเขาไปต่างคนต่างอยู่ไปแต่ถ้าเรายังต้อง ให้เขาใกล้ชิกดกับเราอยู่แต่ถ้าเราไม่ทําตามใจเขาเขาก็จะไม่ใกล้ชิกดกับเราเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอย่างไหนเราจะต้องสองอย่างไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องเลือกอถ้าอยากจะเอาความสบายใจไม่มีใครมากดดันเราก็ไม่ต้องไปใกล้ชิกดกับเขาถ้าอยากจะใกล้ชิกดกับเขาก็ต้องจ่ายจ่ายเงินใจ่ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายยอมให้เขาทํามากดดันเรา คำถามจากคุณน <c oughs> ิยาคำถามแรกการที่เราโกรธพ่อแม่ทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะโกรธท่านเลยแต่เป็นเพราะอำนาจกิเลสแบบนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็เป็นหลักุสนแต่ยังไม่ถึงขั้นบาปจะบาปก็ต่อเมื่อเราพูดออกมาด้วยความโกรธหรือกระทำออกไปด้วยความโกรธโดยเฉพาะทําให้เกิดความเสียหายกับผู้กับพ่อแม่ด่าพ่อด่าแม่อย่างเงี้ยก็บาปแล้ว เดินไปทุบตีพ่อแม่ถึงจะบาปเพียงแต่โกรดนี้ยังไม่บาปยังไม่ออกมาทางกายทางวาจาเป็นแต่เป็นสิ่งที่จะจะนำไปสู่ถ้าเราสู่การกระทาบาปถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งเหมือนวิธียับยั้งก็หมันคิดถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆคิดถึงพ่อแม่ขอบคุณของพ่อแม่ว่าไม่มีพ่อแม่นี่ไม่มีเรานะเรามาได้นี่ก็เพราะพ่อแม่ เราอยู่ได้มาโตมาได้ก็เพราะความอดทนความเสียสละของพ่อแม่ถ้าเราเห็นบุญคุณของท่านแล้วมันก็ทําให้เราไม่กล้าโกรธไม่อยากจะโกรธที่มันโกรธเพราะเราลืมบุญคุณเราลืมระลึกถึงพรญคุณของท่านอยู่เรื่อยๆคําถามที่สองลักษณะความคิดที่เป็นอกุศลหรือคิดไม่ดีเป็นแบบไหนครับก็คิดในทางโลภโกรธหลงนี่เรียกวอกุศล พอโลภพอโกอรธพอหลงก็เป็นอกุศลนะต้องคิดไปในทางที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรียกว่ากุศลคำถามจากคุณป๊อปเวลาปฏิบัติสมาธิจิตถอนเองตลอดประมาณสิบนาทีก็ถอนออกเองทุกครั้งทำอย่างไร จึงจะรวมให้นานกว่านี้ครับสติมันมีกําลังเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับเติมน้ํามันไว้เท่านั้นเหมือนก็ขับรถไปได้เท่านั้นพอถึงถึงระยะทางนั้นน้ํามันหมดมันก็หยุดเนี่ยสติก็เหมือนกันเราเตรียมสติมาแค่เท่านั้นมันพอหมดสติมันก็ถอยออกม า, างั้นออกมาก็ต้องมาเจรานสติใหม่ให้มากกว่าเดิมแล้วเวลากลับไปนั่งใหม่มันก็จะนั่งได้นานกว่าเดิม อยู่ที่สติที่เราเตรียมไว้ก่อนที่จะไปนั่งเวลานั่งนี้มันมันก็จะเริ่มใช้สติแล้วมันก็จะหยุดจิตได้แต่มันก็หยุดได้ในระดับของของสติที่เราได้สะสมมาพอสติหมดกำลังมันก็จะถูกกิเลส ด, ดันจิตให้ออกจากสมาธิมาเห็นต้องหมั่นพยายามจเจริญสติอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอยิ่งยิ่งเจริญได้มากก็จะมีสติมาก พอนั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นไปตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณดิษยาเวลาที่ทำงานหรือเจอปัญหารู้สึกท้อจนไม่มีกำลังใจพยายามแก้ปัญหาโดยฝืนความไม่อยากทำงานแต่พบว่าไม่มีแรงมากพอที่จะฝืนได้ทำอย่างไรจะเอาชนะความท้อแทใจได้เจ้าคะ่ะก็ดูเงินเดือนเ่ยเวลาเงินเดือนออกถ้าไม่ทาก็ไม่มีเงินเดือน จะเลือกเอาจะเอาอยัางไงดีจะเอาเงินเดือนหรือไม่เอาเงินเดือนถ้าไม่เอาเงินเดือนก็ลาออกไปแต่ถ้ายังต้องอาศัยเงินเดือนอยู่ก็ต้องทนต่อไปก็อย่าไปอยากให้มันมากกว่าความเป็นจริงก็บเรากันทําได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น คำถามจากผู้ฝากถามมีความรู้สึกไม่ดีใจหรือเสียใจในเรื่องต่างๆจนเหมือนไม่อยากสนใจอะไรเลยมันเป็นไปเองควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ดีก็ไม่ดีใจไม่เสียใจก็ดีพอดีใจแล้วเดี๋ยวพอสิ่งที่ดีใจหายไปก็จะเสียใจถ้าเสียใจพอเจอสิ่งที่เสียใจก็ไม่สบายใจ อย่างก็อย่างนั้นก็ถือว่าดีแล้วก็พยายามทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆนี่ยที่มาปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้ใจเฉยๆไม่มีการปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปแค่นั้นเองเพราะว่ามันของในโลกนี้ทั้งหลายมันก็เป็นของปลอมของชั่วคราวได้มาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปไม่ได้มาก็ไม่ได้เสียไป เรามาตัวเ ป, ปล่าๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเ ป, ปล่าๆยันมาแบบสบายอยู่แบบสบายดีวยกว่าไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ก็รับรู้ไปตามเรื่องของมันหมดแล้วนะถ้าเราเฉยๆจริงต่อไปเราก็ไม่กลับมาเกิดถ้าเราเฉยก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากมีอะไรไม่มีความอยากเป็นอะไร ไม่มีความอยากได้ลาบยศสารเสริญไม่อยากจะได้ความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีร่างกายมันก็ต้องมันก็ไม่กลับมาเกิดเพียงแต่ว่ามันยังอาจเป็นเฉยๆในระดับไม่ลึก เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันติดใจชอบถูกใจขึ้นมามันอาจจะเฉยไม่ได้แต่สําหรับทั่วๆไปก็อาจจะเฉยได้แต่พอเป็นเจอเรื่องที่มันถูกใจหรือไม่พอใจขึ้นมามากๆ ม, มันก็อาจจะเฉยไม่ได้ก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆพยายามพิสูจน์ตนเองด้วยการเข้าไปหาเรื่องที่มันหนักขึ้นยากขึ้นดูซิว่าเราจะเฉยได้หรือเปล่า ยังมีสิ่งไหนที่เรารักหรือเปล่าถ้าเรารักลองสละมันไปได้ไหมดูเสี้ยวสละแล้วเรายังจะเฉยได้หรือเปล่าเหมือนอย่างมีนิทานเนี้ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งไปบวชก่อนบวชก็มีภรรยามีลูกไปบวชแล้วภรรยาก็ส่งทำอาหารให้ลูกไปเอาลูกให้ลูกเอาไปถวายหลวงพ่อทุกวันทุกวันเวลาไปลูกก็จะเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟัง ตอนนี้แม่เขาจะาขายนาแล้วนะเขาไม่อยากจะทำน า, อาพอเขาไม่ไปไล่ขายไปเดี๋ยวก็จะขายบ้านนะั้นเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะย้ายก็ย้ายไปเขาจะมีแฟนใหม่นะมันไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่า ก็ตองพนสูจน์ดูสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังยังมีอยู่ในใจรอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเราเจอมันเราจะทำใจได้หรือเปล่าเช่นเจอความแก่เราจะทำใจได้หรือเปล่าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายมันมีข้อสอบหลายขั้นตอนด้วยกันเบื้องต้นก็อของของนอกกายก่อนเรื่องต่อมาก็เรื่องร่างกายเรื่องต่อมาก็เรื่องใจของเราอเนี่ยมันมีสามขั้นด้วยกัน ที่เราจะต้องเฉยให้มันให้หมดทุกอย่างถ้าเฉยได้หมดนี่แสดงว่าเราก็หลุดพ้นแนละหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคําถามจ้าคุณพัทรมนการปฏิบัติให้ถึงขั้นโสดาบานันต้องทําอย่างไรครับก็ปล่อยวางร่างกายเฉยกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เมื่อห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไป ถ้ายังทำอะไรได้ก็ทำไปไม่ห้ามไม่ให้ทำฉันไม่สบายไปรักษาตัวได้ก็รักษาไปแต่เพียงแต่ใจอย่าไม่วุ่นวายไปกับการรักษาคือรักษาไปเหมือนกับซ่อมรถอย่างเงี้ยรถเสียก็ไปซ่อมเมันเพราะเรายัางต้องใช้รถอยู่แล้วก็ซ่อมมันที่มันจ ะ, ะซ่อมได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันซ่อมไม่ได้ไม่มีเงนินซ่อมก็ไม่ต้องซ่อมมัน ร่างกายก็เหมือนกันถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่รักษาไม่ได้ก็ไม่ไม่รักษาไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจไปกับเรื่องของร่างกายแต่ถ้ายังมีหน้าที่ต้องทำอยู่ต้องเลี้ยงดูรักษาร่างกายอยู่ทำไปตามหน้าที่ของเราเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ทุกกับร่างกายผู้ที่ไม่ทุกกับร่างกายก็จะเป็นพระสวสดบิบาลนะ แล้วเมื่อท่านไม่ทุกกับร่างกายก็ไม่มีเหตุอะไรที่ให้ท่านต้องไปทําบาปนะที่เราทําบาปก็เพราะว่าที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาความทุกข์ยากลําบากของร่างกายนีเ้เมื่อเราไม่มีความที่จะต้องมาเลี้ยงดูร่างกายเมื่อมันจะเป็นอะไรแล้วก็เลี้ยงดูไปตามปกติไม่ต้องไปทําบาปถ้าเลี้ยงดูไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปะ ครับพระโสดาบันพารยะบุคคลทุกคนก็จะไม่มีการทำบาปอีกต่อไปแล้วก็จะเชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงเพราะนี่คือคำสอนนี่คือวิธีปฏิบัติที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ผลก็รู้ว่าออมันต้องเป็นความจริงแล้วคนที่สอนก็ต้องมีจริงอแล้วคนที่พิสูจน์ก็มีจริงก็คือเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรอ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคุณแม่อายุแปดสิบปีหมอให้งดของหวานของเค็มแต่คุณแม่อยากทานมากถ้าไม่ให้ทานก็จะไม่พอใจในฐานะลูกเราควรบางใจอย่างไรเจ้าคะจะถามแม่ว่าแม่เอาคําเดียวได้ไหม่ะถ้าเอาได้เอาเต็มที่เลยจะหวานขนาดไหนเค็มขนาดไหนก็ได้กินเพื่อเครื่อกันลืมก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้ส่วนส่วนคํำอื่น ก, ก็กินแบบจืดๆชืดๆไป แต่เพื่อเพื่อความสุกใจช่วยละยุบหนึ่งก็กินคําเดียวก็แล้วกันทั้งกินคําเดียวมันก็ไม่มันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแต่เพราะกินกี่คํามันก็เหมือนกันมันก็เหมือนดูหนังซ้ำซากดูหนังเรื่องเก่าอยู่ดีอย่ากินแค่คําเดียวก็พอถามแมา่ทำนี้ได้ไหม แม่ชอบอันไหนจะปรุงใส่ถ้วยเล็กไว้ให้ถ้วยหนึ่งเอาให้มันเผ็ดเต็มที่เค็มเต็มที่หวานเต็มที่เลยแล้วแม่ก็ซัดเป็นคําเดียวไปแล้วกินของจืดๆชืดๆไปก่อนแล้วมาจบท้ายด้วยตัวนี้แล้วชีวิตก็จะมีความสุขให้มันทุกข์ก่อนแล้วมามาจบท้ายด้วยความสุขคําถามจากคุณวัสวุฒ ในการปฏิบัติธรรมความอยากของชาวต่างชาติกับชาวไทยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าชาวต่างชาตินี้เขาได้ศึกษาลึกซึ้งมากกว่าชาวไทยชาวไทยเราศึกษาผ่านขนมธรรมเนียมประเพณีอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขั้นทำบุญรักษาศีลศีลกัดยังไม่รักษากันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ทำบุญแล้วก็ เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนฝรั่งนี้เขาศึกษาลึกไปถึงแก่นคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการดับความทุกข์ในจิตใจเังนั้นการปฏิบัติของต่างชาติส่วนใหญ่ถ้ามาเมืองไทยนี้ก็จะมาหาที่สงบวิเวกมาปฏิบัติถือศีลแปดปฏิบัติสมาธิปัญญากัน แต่ถ้าเป็นชาวไทยไม่ว่าไปที่ประเทศไหนก็มีแต่จะทําบุญกันนิมนต์พระมาสวดกันมาอะไรกันเนี่ยต่างกันตรงนั้นเต่างที่คนไทยเราชอบกินเปือกฝรั่งก็ชอบกินเนื้อฝรั่งก็กินเนื้อศาสนาพวกเราชอบกินเปือกชอบทําบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทอดกระถินทอดผ้าป่ากันฝรั่งไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยจาดงานนี้ไม่มีฝรั่งมาสักคนนะ พลังจะไปหาที่สงบไปที่ปฏิบัตินีคำถามจะผู้ฝากถามเราอยู่ในยุคเก่งพุทธกาลแล้วใช่ไหมครับถ้าตามที่พระพุทธเจ้าทำนายไว้ก็ 5,000 ปีนี่ก็เลยครึ่งหนึ่งนะเก่งก็แปลว่าครึ่งหนึ่ง 2,500 นยเป็นเก่งพุทธกาลนี่เลยมา62สปีแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆศาสนาก็จะจางไปเหมือนกับ น้ำหวานที่ละลายด้วยน้ำจืดเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะน้อยลงไปจางลงไปเพราะเราไม่ศึกษาที่จะรักษาความเข้มข้นของศาสนากันเรามาละลายมันด้วยการไม่สนใจที่จะศึกษาเข้าถึงแก่นของศาสนาเมื่อมาหลงอยู่ติดกับเปลือกของศาสนาเราจึงมีศาสนาทางวัตถุเยอะแต่ไม่มีศาสนาทาง ทางธรรมทางจิตใจกัศาสนาไม่ได้อยู่ด้วยวัตถุศาสนาอยู่ด้วยแก่นนั้นต่อไปคนจะไม่เข้าถึงกันไม่รู้จักแก่นก็เหมือนกับไม่รู้จักศาสนาไม่รู้ว่าตายรักแปลว่าอะไรพูดตอนนี้บางคนยังไม่รู้ว่าตายรักเป็นอะไรตายรักนี่แหละคือแก่นของศาสนา คำถามจากคุณพงษ์ฟังเทศหลวงพ่อแล้วทำไมปล่อยวางไปหมดเคยเที่ยวเคยซื้อก็เลิกเพราะคิดว่ามันเป็นความอยากรู้เท่าทันมันจนเดี๋ยวนี้เตรียมตัวจะไปบวชแล้วครับคนรอบข้างหาว่าเพี้ยนไปแล้วอย่างนี้มาถูกทางไหมครับถูกแล้วล่ะเราเพี้ยนจากเขาเขาเพี้ยนจากเราเขาก็เพี้ยนเราก็เพี้ยนเขาเพี้ยนไปทางหนึ่งเราเพี้ยนมาทางหนึ่งเขาจะว่าเราเพี้ยนก็ถูกเราจะว่าเขาเพี้ยนก็ถูก แต่เราเพียนตามพระพุทธเจ้าไม่ผิดนะเพราะเพียนแบบที่จะทำให้เราสบายไม่ทุกเพียนแบบเขาก็ทำให้เขาทุกอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นคำถามจากคุณนิยาทำไมพอฝืนกิเลสแล้วยากมากเลยเจาคะบางทีฝืนกิเลสแล้วยังทุกอยู่เลยคะ่ะถามคนเมื่อกี้เลยคนเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่ <laughs> นานาจิตตังนะคนเรา บางคนก็ยากบางคนก็ง่ายขึ้นอยู่ที่กิเลสหนาะกกิเลสบางปัญญาทึบหรือปัญญาแหลมคมคนมีปัญญาแหลมคมฟังเทศฟังธรรมเข้าใจละกิเลสได้ง่ายกิเลสบางด้วยยิ่งง่ายใหญ่บางคนนี่ปัญญาทึบกิเลสหนะักทำยังไงก็รู้สึกยากไปหมดยากก็ต้องทําให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายก็ต้องทำถ้ายากก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราทา เราสะสมกิเลสมามากมันเลยหนาะมันสนิมมันเกาะลึกมันหนาจะใช้วิธีเคาะสนิมบ อ, อกให้หมดมันต้องใช้เวลาพวกที่ก็มีสนิมบางเขาก็เคาะทีสองทีมันก็หลุดออกหมดเหตนั้นก็ต้องอย่าไปสนใจว่ามันยากว่ามันง่ายขอเถอะถือว่ายากก็ทําไปเดี๋ยวมันก็ได้ง่ายก็ทําไปมันก็ได้เหมือนกันเหตนั้นเรื่องของไครนี้ไปไปไปเอามา เอามาม no. เป็นเรื่องของเราไม่ได้เรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราก็ต้องเป็นเรื่องของเราก็พยายามถ้ายากก็พยายามฟังเทศบ่อยๆฝึกสติใบมากๆพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆเ ด, เด ak ak ๆี๋ยวมันก็ง่ายเองคำถามจากคุณสิริปรยาการตัดกิเลสต้องทำอย่างไรครับก็อย่าทำตามกิเลสเวลาโลภก็อย่าเวลาอยากซื้อกระเป๋าก็อย่าไปซื้อ ถาใช้เหตุผลว่ า, าไม่มีกระเป๋าใช้เลยกระเป๋าเก่าใช้ไม่ได้หรื อ, อยังไงอถ้ามีเหตุผลให้ซื้อก็ไม่เป็นกิเลสละเป็นเหตุผลแต่ถ้ามันมีกระเป๋าเก่าใช้ได้อยู่อย่างนี้เลยยังอยากไปซื้อกระเป๋าใหม่เรียกว่าโลภก็อยากไปทําตามนั้นเองใช้เหตุผลแล้วเราจะแก้จะแก้ความโลภได้ ใช้เหตุผลหรือว่าใช้ความมาักน้อยสันโดษเมื่เอเร า, เาต้องการน้อยๆไม่จาเป็นจะต้องการมีมากก็พยายามใช้ของที่เรามีอยู่ไปถึงแม้อยากจะได้ใหม่ก็ดีกว่าเก่าก็ช่างมันของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปเราก็จะฝืนความโลภได้ละความโลภได้ต่อบปใจก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไร